บุคคลอย่างมหาตรรมทานทีหรืออย่างคานทีนี้เนี่ยเป็นคนจริงๆที่มีชีวิตเดินดินกระนั้นหรือเพราะอะไรยิ่งใหญ่จะมีเรื่องเล่ามีตำนานให้คนกล่าวขานมากขึ้นมากขึ้นรายละเอียดมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ยามที่ยังทรงพระชนชีพอยู่เรื่องบางเรื่องที่ได้ทรงปฏิบัติได้ทำเราไม่ได้รู้แต่เมื่อเสด็จสู่สวรรคคาลัยแล้วเนี่ยสื่อเอามาเผยแพร่เอามาออกทีวีถึงได้รู้ว่าท่านดีอย่างนี้หรือ ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือทำงานหนักขนาดนี้หรือในทํานองเดียวกันบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อื่นๆอย่างหลวงพ่อปัญญาเป็นต้นในยามที่มีชีวิตเดินดินเราก็มองท่านยิ่งใหญ่แต่หลายเรื่องเราไม่ทราบมาทราบจากประวัติ จากคาเล่าขานหลังจากที่ท่านจากไปแล้วและก็เสียดายยามที่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็ฟังคําสอนของท่านดูปฏิปทาของท่านแต่ไม่ได้ถอดรหัสอย่างลึกซึง้งพอท่านจากไปแล้วนิยามความหมายของชีวิต สมบูรณ์ของท่านของท่านเนี่ยสมบูรณ์ล่ะเราก็เริ่มมองว่าในประเทศไทยมีพระอย่างนี้ด้วยหรือผู้มีความกล้าหาญในทางจริยธรรมเป็นต้นแบบของพระนักเผยแผ่นักเทศที่ทำได้จริงๆอย่างนี้หรือ ตลอดเวลาเจ็ดสิบเจ็ดปีในร่มผ้ากาสาวพัดไม่เคยเบี่ยงเบนจากปณิธานที่ตั้งไว้เป็นไปได้อย่างไรคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนปณิธานเปลี่ยนคำมั่นสัญญาใดๆที่เคยให้ไว้ ในพิธีใดๆยังเปลี่ยนแต่คนที่มุ่งมั่นดำเนินตามปฏิปทานนั้นตลอดชีวิตเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนธรรมดามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนิจจงนะแต่พระที่ชื่อปัญญานันทะพิคุุไม่เคยเปลี่ยนปณิฐาน อัศจรรย์ตรงนี้ปณิธานคือเข็มทิศชีวิตเป็นความตั้งมั่นมุ่งมั่นปราถนาว่าจะทำอะไรจะเป็นอะไรและก็ดำเนินตามนั้นตลอดเวลาเมื่อพระบาทสมเร็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสร็จเรียบร้อยได้ประกาศบรมราชาองค์การเป็นครั้งแรกเราเรียกว่าพระประถมบรมราชาองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เจ็ดสิบปีที่คลองราดไม่เคยเปลี่ยนปณิธานที่ประกาศนี้เลยอัศจันเราเรียกคนที่คงเส้นคงวาปฏิบัติตามปณิธานคำมั่นสัญญาว่าเป็นผู้ที่มีความตรง อาชวในทศพิธราชธรรมตรงไปสู่เป้าหมายชีวิตตามเข็มทิศที่ตั้งไว้ไม่เอ็นเอียงไม่วอกแวกแม้จะมีอำนาจร้ายมากดดันไม่ยอมงอไม่ยอมเปลี่ยน ต้องการสังคมต้องการคนอย่างนี้เป็นผู้นำไม่ว่าเป็นผู้นำบ้านเมืองหรือผู้นำทางจิตวิญญาณชาวพุทธไทยโชคดีที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณหรือทางสติปัญญาในพระศาสนาที่มีความตรงเช่นนี้ชื่อว่าปัญญานันทะพิคุ แต่ห่วงว่าคนรุ่นหลังอาจจะไม่ค่อยทราบเมื่อการเวลาผ่านไปเราก็มาปรรบเรื่องนี้กันพูดกันคนที่มุ่งมั่นตรงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ไม่ยอมเปลี่ยนนั้นฝรั่งเรียกว่า man of all seasons เป็นคนแห่งทุกรดูการใครไปในยุโรปในอเมริกาหน้าหนาวถ้าไปในช่วงนี้จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีมันเป็นฤดูอ่ำต่ำใบไม้ร่วงก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวทึ่งซึ่งหิมะมันจะตกก่อน ฤดูใบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราจะเห็นใบไม้หลากสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองพรึบเต็มป่าเป็นภาพที่สวยงามพอฤดูหนาวเข้ามาถึงใบไม้หายไปหมดเหลือแต่ต้นและกิ่งกา้านไม่มีใบเลย ตลอดเวลาสามเดือน4ี่เดือนจนคนที่ไปเห็นใหม่ๆนึกว่ามันตายพอฤดูหนาวผ่านพน้นหิมะละลายเกิดฤดูที่เรียกว่าสปริงใบไม้ผลิใบอ่อนมันก็งอกมาที่กิ่งวันสองวันนี่เขียวเต็มต้นเลยเราจึงเห็น ต้นไม้มันเปลี่ยนสีตามฤดูกาลใบไม้พริมันก็สีเขียวอ่อนอยู่มาก็เขียวแก่แล้วก็กลายเป็นเขียวเหลืองแดงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ร่วงไปต้นไม้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่มันจะมีต้นไม้อยู่ประเภทหนึ่งหรือต้นหนึ่ง ไม่ยอมเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าใบไม้ร่วงมันคงอยู่อย่างนั้นเป็นต้นไม้แห่งทุกระดูกาลหิมะตกเขาก็ไปตัดเอามาทำต้นคริสต์มาสเพราะมันเหลืออยู่ประเภทเดียวที่มีใบคือต้นสน เราจึงเรียกต้นสนว่าเป็นต้นไม้แห่งทุกระดูการไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเราเรียกคนที่ไม่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ว่า Man of All Seasons เป็นคนแห่งทุกระดูการไม่เปลี่ยนสีเป็นคนที่เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเราอาจจะพูดถึงหลวงพ่อปัญญาว่า เป็นมังค์ออฟออนซีซันพระแห่งทุกรดูกานเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นปัญญานันทะพิคุสอนอยู่ที่เชียงใหม่ที่วัดอุโมงเคยเทศเคยสอนอย่างไรมาเป็นเจ้าวาดวัดชนประธานที่กรุงเทพมาเป็นเจ้าคุณพระปัญญานันทะมุนีก็ยังเป็นหลวงพ่อปัญญาองค์เดิมสอนเหมือนเดิม รักษาปณิธานเหมือนเดิมไม่เคยเทศเอาใจเจ้าภาพพูดตรงๆเป็นชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมจนเป็นพระพรมมังคร า, ารย์เป็นรองสมเด็จก็ยังเป็นหลวงพ่อปัญญาของเราสอนแบบเดิมตามอุดมการที่ตั้งไว้ไม่ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบตรงนั้นหลบตรงนี้เป็นคนกล้าพูดกล้าทำพยากรณ์ง่ายว่าวันนี้ท่านพูดอย่างนี้อนาคตห้าปีสิบปีข้างหน้าก็จะอยู่อย่างนี้เราไว้ใจท่านมาฟังเทศของท่านที่ลานหินโค้งตั้งแต่ต้ น, ตน มาจนวาระสุดท้ายของชีวิตก็อย่างนั้นเราไว้ใจและเราเดินตามที่ว่าปณิธานเข็มทิศชีวิตมันสำคัญอย่างไรคนเราต้องมีนถ้าไม่มีนี่ชีวิตมันสเปสะสปะเหมือน จอกแหนที่มันลอยขึ้นลงตามน้ําขึ้นน้ําลงวันนี้มันไปทางนี้พรุ่งนี้มันกลับไปทางนั้นเราต้องเป็นเรือที่มีหางเสือจะไปซ้ายไปขวาอย่างไรมันต้องมีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางเราเรียกว่าอุดมการอุดมคติเหมือนชาวเรือในสมัยโบราณเดินทางในทะเล โดยดูดาวเหนือและเขาก็กำหนดทิศทางและเมื่อเรากำหนดเป้าหมายว่าจะไปให้ถึงตรงนี้ก็อธิษฐานจิตว่าจะทำตามนี้ตั้งใจแน่วแน่จะบรรลุตามอุดมคติอุดมการการอธิษฐานตั้งใจมุ่งมั่นนั้นคือปณิฐาน ปณิธานเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตที่ไปสู่เป้าหมายซึ่งมันมีความพลิกผันมีอะไรก็ตามดักรออยู่แต่จะไปให้ได้อย่างไรก็ไปให้ถึงคนที่มีปณิธานนี่เหมือนกับคำคากรนที่ว่าจับให้มั่นคันให้หมายให้หวายวอด ช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัยตัดให้ขาดปราถนาหาสิ่งใดเพียรจงได้ดังประสงค์ที่ตรงดีเป็นคนมุ่งมัน่นภาษาฝรั่งเขาเรียกด e เทอร์มิน i o ชนคนมีปณิธานจะมีด e เทอร์ม a น i o n นมุ่งมัน่นเมื่อสุมเมธดาบท นอนทอดกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเหยียบข้ามไปตั้งปณิธานต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าขอเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือจุดเปลี่ยนทำให้พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นพุทธกี่ชาติกี่ชาติจะเจอปัญหาเจอปศัสดิอย่างไรบำเพ็นบารมีไม่หยุด ด้วยอุดมคติคือความเป็นพุท ธ, ธด้วยการมุ่งมั่นตามทางนั้นคือตั้งปณิธานอธิษฐานคนที่มีปณิธานเนี่ยจะบรรลุถึงเป้าหมายดังพระพุทธพทธทิว่าวายเมเทวปุริโสยาวะอัตถสนิปทา เกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตยหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจ ชีวิตของหลวงพ่อปัญญานทะเป็นชีวิตที่สมหวังเพราะสำเร็จตามมโนปณิธานที่ตั้งไว้ส่วนพวกเราหลายคนตั้งความหวังแต่เป็นฝันกลางวันไม่ได้ทำดีแต่พูดภาษาพระเขาเรียกว่ากลางคืนบังหวนขวัญ กลางวันไม่ลุกเป็นไฟสมขอนควันขโมงเลยในกลางคืนนนะตอนเช้าไฟไม่ติดมีแต่ควันบางคนนอนวางแผนทั้งคืนตื่นขึ้นก็เหมือนเดิมเราไม่เรียกว่าปณิธานปณิธานต้องทำต้องย่างก้าวไปสู่เป้าหมายแม้ว่ามันจะไกล พาสิจจีนเขาบอกว่าระยะทางหมื่นลี้มันต้องมีก้าวแรกเริ่มจากก้าวแรกนี่แหละเดินไปทีละก้าวแล้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ข้อสำคัญก็คือท่านรู้หรือเปล่าว่าจะไปไหนตั้งปณิธานตั้งความหวังไว้หรือเปล่าว่าชีวิตจะเป็นอะไรเกิดมาทั้งทีเนี่ย เกิดมาเพื่ออะไรจะทำดีอะไรฝากโลกมีไว้บ้างแม้แก่สังคมหรือแก่สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อลูกของเราเราอาจจะไม่มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่เชกเช่นหลวงพ่อปัญญาอนันต์แต่ค่าของชีวิตมันต้องมี เราจะทำความดีอะไรฝ า, ากไว้ในโลกนี้ก่อนที่ดินจะกลบหน้าถามตัวเองไม่ใช่ล่องลอยไปสเปะสปะชีวิตไม่มีคุณค่าสักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกกินอยู่ไปวั น, วน รพระผู้เท日เจ้าเรียกคนที่อยู่อย่างไม่มีปณิธานอยู่อย่างสเปะสปะว่าคนพานคนพานอยู่สักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกทําไปตามเส้นกระตุกไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยตรงข้ามกับบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ทําประโยชน์ ในงานศพใหญ่ๆจะมีการสวดสาธพธ์สาธพ์จะมีธรรมะเตือนจิตสกิดใจว่าก่อนจะดับไปเนี่ยฝากอะไรไว้กับโลกนี้บ้างให้เป็นบัณฑิตโดยในสาธพจนั้นจะมีอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีมาสวดแม้แต่ ง, งานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่สนามหลวง ก็สวดสาทพ์หลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนาแล้วอาตมาก็ได้ไปสวดตรงนั้นประโยคที่สำคัญประโยคหนึ่งในสาทพ์คาถาก็คือทิฏเถธมเมจโยอัฏโธโยจัตโถสัมปรายโกอัฏฐาพิสมมโยทีโร ปันดิโตติปวุจติผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะรู้จักประโยชน์สองประการทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์เฉพาะหน้าในปัจจุบันทันตาเห็นและสัมปรายิกกัตถะประโยชน์ระยะยาวในอนาคตไปถึงชาติหน้า เวลาที่เราพูดว่าชีวิตอย่าเป็นคนพานต้องเป็นบัณฑิตหมายถึงทำประโยชน์ตลอดเวลาไม่ใช่สักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกทำประโยชน์ที่มองเห็นในปัจจุบันแก่ตนเองและคนอื่นและประโยชน์ระยะยาวในอนาคตเป็นประโยชน์โดยตรงเรียกว่าอัตตะก็ได้ เป็นประโยชน์โดยอ้อมเรียกว่าฮิตะคือเกื้อกูลก็ได้บางทีบางอย่างมันไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงแต่ว่าเกื้อกูลใครจะรู้บ้างว่าเมื่อตั้งวัดชนประธานรังสิตโดยกรมชนประธานสร้างวัดขึ้นมาโดยรวมยุบวัดเก่าสองวัดตรงนี้ อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้นในปี2503นิมนต์พระหนุ่มชื่อปัญญา น, นันทะภิขุดมาเป็นเจ้าอาวาสพระรูปนั้นจะได้สร้างประโยชน์โดยตรงมหาศาลแก่พระศาสนาโดยฐานทัพที่นี่แต่ผู้สร้างประโยชน์โดยอ้อมคือกรมชลประธานเป็นหิตะหิตานุหิตะประโยชน์ ไม่มีวัดชนประธานก็ไม่มีเจ้าอาวาสคือปัญญานันทะพิขุท่านทั้งหลายท่านจะทำประโยชน์โดยตรงหรือสนับสนุนก็ได้เป็นหิตะเกื้อกูลก็ได้เป็นอัฏฐประโยชน์โดยตรงก็ได้เกิดมาทั้งทีให้มันมีดีฝากไว้นี่คือปณิธานที่ชีวิตต้องมี ปัญญานันถ้าพิกขูมีปณิธานชีวิตอะไรที่เป็นเข็มทิศพาชีวิตของท่านไปสู่เป้าหมายเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับท่านประกาศให้สิทยานุสิตได้ทราบว่ามีหกข้อด้วยกันและหกข้อนี้แหละที่ทำให้ชีวิตของท่านเป็นตำนาน เพราะแต่ละข้อมันทำยากใครประกาศคนก็ตั้งคำถามทำได้หรือแต่ตลอดชีวิตหลังเรียกว่าในร่มผ้ากาสาวพัฒพิสูจน์แล้วว่าหลวงพ่อปัญญาธทําทำได้จริงๆและไม่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนี่คือความอัศจรรย์ใครก็ตั้งปณิธานได้ เหมือนนักการเมืองหาเสียงเนี่ยประกาศนโยบายพักแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้เขาก็เลือกสมัยต่อมาแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เลือกคนก็เลยเปลี่ยนก่อนมีอำนาจกับหลังมีอำนาจมันเปลี่ยนตอนหาเสียงนี่มาจับมือไปทุกบ้าน พอเป็นรัฐมนตรีเข้าพบก็ยากเห็นไหมถ้าเสมอต้นเสมอปลายเหมือนหลวงพ่อปัญญาไม่มีปัญหาท่านประกาศหลวงพ่อปัญญาอนันต์ได้ประกาศไว้หกข้อด้วยกันแค่ข้อแรกก็ทำยากแล้วเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อครอบครัวอยู่เพื่อวัดอยู่เพื่อ สถาบันตรงนั้นตรงนี้แต่หลวงพ่อปัญญาณาัน t h ประกาศไม่เหมือนใครอยู่เพื่อพระรัตนตรยัยอยู่เพื่อรับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตของท่านมุง่งรับใช้พระศาสนา ไม่ใช่เพื่อคนนั้นไม่ใช่เพื่อคนนี้และโดยที่สุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือนามมาธรรมเป็นอุดมการแห่งพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รวมเป็นหนึ่งคือความบริสุทธิ์ถูกต้องดีงามถาวายไว้เพื่อสิ่งนี้ความเป็นพุทธ ในพระพุท ธ, ธะก็มีธรรมะและผู้ที่ได้ธรรมะก็เป็นสังฆะเป็นอริยสงฆ์ท่านอุทิศตนเพื่อสิ่งนั้นคนถ้าร้องอุทิศตนเพื่อความถูกต้องดีงามคือคนที่เราเรียกกันว่าธรรมมาทิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่ถ้าเพื่อตัวเองเราเรียกว่าอัตตาทิปไตย อยู่เพื่อความยิ่งใหญ่โด่งดังของตัวเองทําดีก็เพื่อให้ตัวเองได้ได้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสุขไม่ทําพวกอัตตาธิปไตยจะเป็นอย่างนี้ช่วงไหนเขาชมก็ขยันช่วงไหนเขาด่า ก, ก็หยุดเปลี่ยนไหม ครึ่งๆกลางๆเป็นกิ่งกาพวกอัตาตาธิปไตยอีกพวกหนึ่งอยู่เพื่อคนอื่นทำดีเพราะคนอื่นเขาเรียกว่าโลกาธิปไตยทำดีเพราะอยากให้คนนั้นคนนี้ได้ประโยชน์ได้เจริญรุ่งเรืองทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อลูกให้ลูกเจริญก้าวหนะ้า แต่พอลูกล้มเหลวติดยาเสพติดหมดแล้วฉันคนอื่นเป็นใหญ่แต่ถ้าทำเพื่อความดีงามเพื่อความถูกต้องทํามาทิปไตยเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตอะไรเราจะได้หรือไม่ได้ใครจะได้หรือไม่ได้แต่มันดีงาม อันนี้คือพลังขับเคลื่อนของรัชกาลที่ห้าจะเลิกทาตสซะอย่างเพราะมันถูกต้องนายทาตก็ไม่ชอบเพราะเสียประโยชน์ทาตก็ใช่ว่าจะชอบเพราะเป็นอิสระแล้วไม่รู้จะอยู่อย่างไรแต่สิทธิมนุษยชนความถูกต้องดีงารต้องทำ ทำไปนานแล้วคนถึงจะรู้ว่ามันดีนั่นคือการเลิกทานใช้เวลาเลิกทานกี่ปีท่านทราบไหมกว่าจะสำเร็จตั้งแต่สองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดออกกฎหมายฉบับแรกเรื่องการเลิกทานแล้วก็ทรงออกมาทีละหน่อยลรเราะมันมีแรงต้านแต่ไม่เคยหยุดเลย ลดค่าค่าแรงค่าตัวของทาสบางอะไรบางไล่ไปเรื่อยแต่ละฉบับฉบับสุดท้ายเนี่ยสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดไม่มีกดเออเรียกว่าไ ม, ม่มีทาดอีกต่อไปคนที่มุ่งมั่นอย่างนี้เนี่ยต้องมีปณิธานท่านไม่วกแวกและมันดีไม่ว่าใครจะค้านอย่างไรก็ตามเดินหน้าต่อไป เมื่อหลวงพ่อปัญญานันทะทุ่มเทอุทิตตนเพื่อพระตนไตรยัยและไม่ใช่เป็นทุ่มเทธรรมดาเป็นแม่ทัพเป็นหัวหอกนำหน้าถือธงแห่งธรรมะต่อต้านสยศาสตร์ต่อต้านความไม่ถูกต้องตามปริฐานข้ออื่นโดนกระสุนก่อนเท่านั้นแหละคนถือธง กระสุนมันจะมาแต่ทหารสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไปตามธงนะเวลาจะสั่งถอยเขาเขาจะดูธงนําหน้าถ้าธงถอยเขาก็จะไปทางนี้เขาก็จะตามทหารทั้งหมดเพราะมันไม่มีวิทยุสื่อสารธรรมทัตหรือธรรมทวัชคือธงแห่งธรรมเนี่ยใครที่เป็นคนถือธงนําหน้าเนี่ยคนมันจะตาม ตะลุยไปทางนี้เขาก็จะตาแล้วถ้าเกิดคนถือธงยอ่อท้อกลัวความตายเนี่ยถ้ากองทัพไปไปไหนหรอกถ้าผู้ถือธงสละแล้วซึ่งเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตเร่งประโยชน์สุขฉันจะทําอย่างนี้จะนําไปอย่างนี้ทุกคนมันก็จะตามธรรมทัชธงแห่งธรรมะที่ลัทหลวงพ่อปัญญาณธะตุได้ถือเนี่ย มันจึงมีผลมหาศาลแก่พระนุ่มเลนน้อยเขาเรียกมีผลกระทบเพราะมีผู้กล้าถือธงนำนะคนกล้าต้องไม่กลัวคนที่ไม่กลัวก็เพราะอุทิศแล้วเพื่อพระศาสนาบวชถวายอกอุรังทัตวาศนะาสนอุรังทัตวาสานวนภาษาพระเขาเรียกศ า, าสนอุรังทัตวา บวชถวายอกไว้ในพระศาสนาถวายจิตใจจิตวิญญาณไว้กับพระพุทธเจ้าและท่านก็อธิษฐานตั้งแต่เป็นส ม, มเณรไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชอายุยังไม่ยี่สิบเลยบวชอายุสิบแปดถวายพระพุทธเจ้าแต่อธิษฐานครั้งเดียวมันวอกแวกได้ไปกาบพระแก้วมรกตก็อธิษฐานอีก ทำซ้ำอยู่เรื่อยๆไปกราบพระพุทธเจเนรายก็อธิษฐานนี่แหละถวายชีวิตไว้ในพระศาสนาไปพม่า ก, กับพระโลกกันนาดไปอธิษฐานที่หน้าเจดีชเวดากองแบบเดียวกันไปถึงพุทธคยาต่อมาที่อินเดียก็อธิษฐานว่าจะขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระศาสนาอธิษฐานหลายครั้ง ทำให้ปณิฐานเนี่ยมันมีชีวิตปลุกใจตลอดเวลาไม่ใช่อธิษฐานคืนเดียวลุกขึ้นก็ลืมแล้วไม่ใช่ใครอยากทำอะไรมันจะต้องทำซ้ำอย่างหลวงพ่อปัญญาทำและไม่ใช่อธิษฐานคนเดียวประกาศให้เขารู้อีกเหมือนราชการที่ห้าจะเสด็จประพาสยุโรป คนก็กลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวไปโดนฝรั่งบีบก็เปลี่ยนศาสนาเดี๋ยวไปเจอสาวแหม่มแห ม, ม่มสวยก็ไปเปลี่ยนอีกตามไปชอบแหม่มอีกทรงประกาศในพระราชวังต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์ต่อหน้าพระสง์ไปยุโรปครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง จะไม่ยอมนับถือศาสดาอื่นใด น, นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกาศต่อหน้ามั่นคงในพระธนรตรยัยคนก็เบาใจสบายใจเรื่องที่หนึ่งที่หลวงพ่อปัญญาณนธะได้ทำก็คือตรงนี้ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อพระาศาสนา ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องอะไรและมุ่งหน้าต่อไปยากที่คนจะทำและไม่ได้ทำโดยไม่ประกาศและไม่มีกาละยานมิตรกลับจากพม่าที่ไปกับท่านโลกกนานไปสวนโมกเจอเพื่อนร่วมอุดมการรุ่นพี่ท่านพุทธทาสพิกุลที่สวนโมก ซึ่งประกาศตนถวายชีวิตเพื่อพระรรตนัยเป็นพุทธธาตุธาตุของพระพุทธเจ้าพบท่านบชเขมาพริรัตรร่วมกันอยู่ตรงนั้นร่วมอดมการเป็นสามสหายเราก็เห็นภาพตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะทำการใหญ่จะต้องมีกาลยานามิตรมีแนวร่วมไม่ได้ทำคนเดียว นโปเลียนมหาราชบอกว่าการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านต้องมีสองสิ่งหนึ่งมีศัตรูที่กล้าแข็งที่สุดมีงานที่ยากที่สุดท่านทำให้สำเร็จหรือเอาชนะให้ได้ท่านยิ่งใหญ่สองท่านต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดคอยช่วยเหลือคอยเป็นกำลังใจ หลวงพ่อปัญญาณันาทะเป็นแม่ทัพธรรมที่จะห้ามหันกับความโง่อวิชชาของคนมีกลัลยาณมิตรมากมายไม่ใช่เฉพาะในรุ่นเดียวกันมาอยู่วัดชมประธานก็สร้างธรรมทายาทมาสนับสนุนงานของท่านและไม่ใช่เฉพาะในวัดชมประธานสร้างแนวร่วมพันธมิตรนอกวัดชาวพุทธทั่วไป ตามปณิธานข้อหกของท่านซึ่งจะกล่าวต่อไปสนับสนุนกิจการของมหาจุฬาที่ผู้พูดเป็นอธิการบดีเพราะถือว่าเป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรกันต่อสู้กับความโง่ด้วยการศึกษาของพระสงฆ์สมมีนแก่ชาวพุทธ โ, โลกท่านสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เริ่มจากข้อแรก ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยก็ยากแล้ะข้อที่สองความมุ่งหมายอยู่ที่ประกาศคำสอนที่แท้ของพระพุทธศาสนามีคาสอนแท้และคาสอนไม่แท้ปนกันอยู่หลวงพ่ออธิบายว่ามันเหมือนกับผลไม้มันต้องมีเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีเปลือก คำสอนแท้เหมือนเนื้อในของมังคุดพิธีกรรมไสยศาสตร์บางอย่างนี่เป็นเหมือนเปลือกแล้วคนเรามาติดเปลือกผลไม้มากกว่าเนื้อในก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระจากการลิ้มรสพระธรรมดังนั้นเป้าหมายของหลวงพ่อคือปอกเปลือก แล้วยืน่นเนื้อในที่ดีเป็นแก่นพระศาสนาโดยในการที่จะปอกเปลือกนี่ปฏิฐานข้อที่สก็คือต้องกลา้ากล้าพูดความจริงทุกกาลละคือทุกเวลาทุกเทศะทุกสถานที่ไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้ามันเป็นความจริงเป็นความถูกต้องดีงามท่านพูด พูดเสียจนบางครั้งวิยุประเทศไทยเขาไม่ให้ออกอะ่ะเพราะพูดความจริงของงดรายการท่านเคยเทศทุกวันอาทิตย์ไปพูดอะไรก็ไม่รู้ลังับอ้างว่าเสียงไม่ค่อยดีละหลวงพอ่อตอนวัยชราท่านมาบอกบนก็อัตมาเราก็ต้องดำเนินการหาทางให้กลับไปพูดและออกทีวี เหมือนเดิมบางทีคนเข้าใจท่านปิดเซนเซอร์ห้ามก็มีและท่านหยุดไหมไม่หยุดลยกล้าการกล้าพูดเนี่ยบางทีพูดจริงไม่เพราะพูดเพราะไม่จริงใครมาพูดเพราะกับเราอาจจะไม่จริงแต่หลวงพ่อพูดจริง ซึ่งใครมาเป็นลูกศิษย์ก็จะรู้ว่าเวลาที่ท่านต่อสู้กับไสยศาสตร์ทำลายล้างสิ่งเหลวไหลในพุทธศาสนามันไปสะเทือนใจคนซึ่งเป็นปณิธานข้อที่สี่ข้าพเจ้าจะต้องสู้ทุกวิถีทางเพื่อทำลายสิ่งเหลวไหลในพุทธศาสนาและนำความเข้าใจที่ถูกมาให้แก่ชาวพุทธเวลาที่ท่านหลวงพ่อปัญญ า, าทะ ตั้งปณิธานนี้ท่านอ้างพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าอุบัติในอินเดียพระพุทธเจ้าก็ไปทําลายสิ่งเหลวไหลของคนในสมัยโน้นที่เขาเชื่อผิดผิดผิดผิดและก็สอนสิ่งที่ถูกต้องมาทดแทนบางทีปฏิวัต บันทีปฏิรูปพระพุทธเจ้าเลยนะปฏิวัติเรื่องอะไรความเชื่อเรื่องอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพระพรหมสร้างโลกเนี่ยล้มเลยล้มระบบเลยมันไม่ถูกต้องไปเชื่ออำนาจงมงายของพระพรหมิกขิตก็ไม่ถูกต้องเชื่อได้อย่างไรว่าทำบาปเยอะแยะแล้ว จะให้บริสุทธิ์ง่ายนิดเดียวโ ด, ดตูไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาล้างบาปก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ถ้าคนทำบาปแล้วไปล้างบาปในแม่น้ำคงคาได้ขึ้นสวรรค์ป่านี้ปลาและเต่าในแม่น้ำคงคา ยุดสวรรค์หมดแล้วผู้เจ้าตรัสอย่างนี้จริงๆนะมันกระเทือนทั้งระบบเลยนะปลาและเตามันอาบทุกวันยุดสวรรค์หมดแล้วเป็นสวรรค์ปลาสวรรค์เตาไปเชื่ อ, อได้อย่างไรนี่คือปฏิวัติปฏิรูป เราล้างบาปได้แต่ไม่ใช่ล้างทางกายล้างที่ใจไม่ทำชั่วทั้งปวงทำดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสไม่ทำบาปทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสใใงใ ส, สุดที่อสุธิปัจจัดตังนานโยอันยังวิโสทยเยความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตน คนอื่นใครเล่าจะทำให้เราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองได้เรื่องกรรมมาแล้วกรรมคือเราทำไม่ใช่พรหมมริขิทให้เราเศร้าหมองหรือเราบริสุทธิ์อยู่ที่การกระทำปฏิรูปาศาสนาพรหมสีนะ้าไม่ใช่อะไรเมตตา ความรักการุณาความสงสารมุทิตาพรอยินดีอุเบกขาเป็นกลางวางเฉยพระพรมเอามาไว้ในตัวเราเป็นผู้ประเสริฐแต่ให้เป็นพรมวิหารธรรมปฏิรูปคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทะก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพิธีกรรมรักษาไว้ แต่พิธีกรรมนั้นใส่เนื้อหาสาระเข้าไปใหม่ให้มันมีประโยชน์สวดศพก็ต้องมีแต่แถมเทศเข้าไปวัดชนประธานเนี่ยวางระบบของวัดเรียบร้อยเมื่อมีชื่อเสียงอยู่ที่วัดอุโมงค์ที่เชียงใหม่อยู่ที่นั่นสิบปีอธิบดีกรมชนประธานก็ไป น, นิมนต์มาเป็นสมภาร วัดชนประธานที่สร้างใหม่ท่านรับเป็นเจ้าวาดไม่ใช่เพราะว่าอยากเด่นอยากดังดากได้อำนาจท่านอยากทำงานท่านถามเลยว่าวัดที่ว่าเนี่ยเป็นสร้างใหม่หรือวัดเก่าถ้าเป็นวัดเก่ามีพระเยอะๆไม่เป็นเจ้าวาดเพราะเขาเขาเรียกว่ามันมี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรรองรับไว้แล้ววัดเขามีระเบียบของเขาเราไปเป็นเจ้าวาดไปคลองวัดที่มีคนอื่นอยู่แล้วทําระบบมาแล้วเนี่ยมันปฏิวัติปฏิรูปยากวัดเก่ามีคนอยู่เยอะมีอะไรเยอะไม่เป็นเจ้าวาดไม่เป็นสมผาน จะเป็นเจ้าวาดวัดเก่าได้จะต้องเป็นวัดร้านตั้งใหม่ไม่มีพระสักองค์เดียวชอบก้นนะคิดแบบนี้เลยแต่นี่คือคนมุ่งงานไงสตังไม่มีสักบาทหนึ่งอนะวัดแบบนี้และจะไปเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อปัญญาทัฐว่าอย่างนั้นเริ่มใหม่แล้วพอทราบว่าวัดชนประธานรันสริศ คือกรมชนประธานรังสิริตก็คือสร้างโดยยุควัดเก่าสองวัดเข้าดดวยกันเริ่มระบบใหม่เลยมาวางระบบปฏิรูปอยู่ที่นี่พิธีกรรมไม่ว่าจะบวชหน้างานศพหรืออื่นๆยึดหลักเป็นระเบียบเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ถูกต้องตามพระธรรมวินยัย ซึ่งเป็นปณิธานของวัดนี้จเจ้าอาวาสรุ่นต่อๆมาก็ต้องรักษาไว้รักษาปณิธานของวัดนี้ไว้สิ่งที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นปฏิวัติปฏิรูปท่านทำอะไรบ้างนี่มีรายละเอียดเยอะข้อที่ห้ามันสืบเนื่องมาจากข้อหนึ่ง ที่ทำนี่ไม่เื่อไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่อัตตาธิปปตายขอเพียงมีปัจจัยสี่เลี้ยงชีพพอแล้วพอเพียงนี่เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงมาจากคำว่าจำเป็นคนเราเนี่ยถ้าบริโภคตามความจำเป็นเนี่ยมันไม่ยุ่งยาก พอเพียงอยู่บนฐานของจำเป็นเราจำเป็นต้องบริโภคอาหารให้ครบห้าหมู่อิ่มไม่เกิดทุกข์ปฏิบัติทำได้นี่คือความจำเป็นแต่บางคนบริโภคอาหารเพื่อความพอใจไม่ใช่จำเป็นอย่างเดียวพอใจคือมีความสุขในการรับประทานพอใจที่ได้ทานของแพงอวดเพื่อน มันมีคุณค่าเทียมเพิ่มเข้าไปเยอะคุณค่าแท้ประโยชน์ต่อร่างกายกำจัดความหิวโหวยลดเวทนาปฏิบัติธรรมประโยชน์ของอาหารนี่คือคุณค่าแท้ตามความจำเป็นแต่เราไปจ่ายนะซึ่งถ้าบริโภคตามความจำเป็นนี่ยปริมาณมันก็นแค่นี้แหละ แต่พอเอาความพอใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความอร่อยสีสันกลิน่นราคามันเพิ่มแล้วยังแสดงฐานะทางสังคมอีกต้องไปร้านนั้นร้านนี้ราคาแพงมหาศาลเพื่อความจําเป็นอาจจะไม่ถึงร้อยบาทก็อิ่มและเป็นประโยชน์แต่พอเพื่อความพอใจมันเพิ่มเป็นพันเป็นหมื่นในอาหารที่มีคุณค่าแท้เท่ากัน รถยนต์ที่เราใช้เพื่อความจาเป็นคุณค่าแท้คือการจราจรที่รวดเร็วคุณค่าแท้อาจจะใช้เงินไม่มากบางคนเขาจึงเขียนรถเขาสมโสมน่ยแต่เขาเขียนไทยรถว่าดีกว่าเดินนี่คือคุณค่าแท้ที่ฉันไม่ต้องเดินเนี่ยแต่พอเราไปซื้อเนี่ยเรามีราคาแพงคุณค่าเทียม สเตตัสถานะทางสังคมอวดกันต้องรถยี่ห้อนี้แบรนด์เนมจากประเทศนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เน้นความจำเป็นสนองความจำเป็นและดึงระดับความพึงพอใจนี่อย่าให้มันสูงเกินฐานะคนเราไม่ได้พิจารณาตัวเองยังเป็นนักศึกษาอยู่เลย มันควรจะมีกระเป๋าใส่หนังสือไปในราคาเท่านี้คุณค่าแท้แต่เขาก็ไปซื้อพวกหลุยติ้งต้องมันเคินฐานะนักศึกษาความพึงพอใจมันสูงเกินไม่อยู่ที่ความจำเป็นหลวงพ่อปัญญาณันทะบอกว่าสมบัติส่วนตัวนี่แค่ปัจจัยสี่พอเลี้ยงอัตภาพเท่านั้น นี่คือความจำเป็นแต่ถ้าท่านมีสถานะทางสังคมเพื่อประโยชน์ในการทำงานอะไรต่างมันก็จำเป็นไปเจราจาธุรกิจนั่งรถกระป๋องไปใครเขาจะคุยกับท่านเป้าหมายเป็นตัวกำหนดว่าอะไรพอเพียงหรือไม่พอเพียงขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอริยสัจสีทุกสมูทัยนิโรธมักเนี่ย ทำไมนิโรธคือเป้าหมายจึงมาก่อนมักคืคอทางสายกลางเพราะเป้าหมายเป็นตัวกาหนดทางสายกลางปณิธานคือรวมการต้องมาก่อนวิถีชีวิตปณิธานน้อยท่านก็พยายามน้อยปณิธานสูงแบบหลวงพ่อ ป, ปัญญาท่านก็พยายามมากปณิธานต่ำามันก็แค่นี้ต้นไม้นี่ถ้ามีลูกให้ท่านสอย สูงขึ้นไป1ิบเมตรท่านต้องใช้ไม้สอยสิบเมตรบวกกับความสูงของร่างกาย10เมตรตึงจะพอดีแต่ถ้าลูกไม้ผลไม้มันอยู่ห้าเมตรใช้ไม้สิบเมตรมันสูงไปความพยายามของเราจะสักขนาดไหนอยู่กับปณิธานคือเป้าหมายถ้าปณิธานสูงมากอย่างหลวงพ่อปัญญาเนนทะ ต้องพยายามมากแล้วมันจะพอดีกับเป้าหมายทางสายกลางคือพอเหมาะกับเป้าหมายสูงไปขยันไปก็ไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้ท่านฟังทำปฏิบัติทำเป้าหมายอยู่ที่ไหนจะเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันมานั่งฟังแค่นี้เนี่ยไม่บรูลหรอกต้องเทศกันสามวันสามคืนยังไม่แน่ใจเลยนะ แต่ถ้ามุ่งเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นกัละยาณปุถุชนสองสามชั่วโมงก็พอแล้วได้ฟังเทศบ้างก็ยังดีในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยวันโกนให้ละวันพระให้เวน้นมันอยู่ที่เป้าหมายทำไมคนบางคนปฏิบัติแค่นี้ไม่พอจึงต้องไปบวชเพราะเป้าหมายเขาสูงเขาต้องการที่จ ะ, จะเจริญในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหม เป้าหมายเปลี่ยนกระบวนการในการปฏิบัติเปลี่ยนคำว่าเป้าหมายหมายคืว่าสูงขึ้นแต่ไม่ได้ทิ้งเป้าหมายขยับสูงขึ้นพระผู้เทเจ้าจึงสอนว่าให้คนเราสันโดษในการบริโภคปัจจัยสี่แต่อย่าไปสันโดษในการทำความดีเวลาบริโภคปัจจัยสี่บริโภคตามความจาเป็นเอาคุณค่าแท้แต่เวลาทำความดี อย่าไปสันโดษคือมักน้อยจบป .7 พอแล้วไม่เรียนสันโดษไม่ได้ต้องเรียนให้จบมัธยมจบมัธยมถ้าเรียนได้ก็อุดมศึกษาต่อไปรักษาศีลห้าได้แล้วไม่ใช่พอใจอยู่แค่นั้นต้องศีลแปดศีลสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดเลื่อนขั้นในความดีอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะลักษณะสองประการคุณสมบัติสองประการ หนึ่งกุสเลสุธรรมเมสุอสันตุธิตาไม่สันโดษในการทำความดีสองอปตินิอปติวานิตาปธานนสมิงไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรหลวงพ่อปัญญาณทะมีทั้งสองข้อการทำความดีตามปณิธานหกข้อนี่ทำให้ครบและทำให้มากๆไม่สันโดษไม่ใช่ว่า เป็นเจ้าวาดวัชชนประทานพอแล้วไม่ออกเทศไม่ออกสอนไม่ไปทั่วโลกอย่างที่ท่านทําไปเปิดวัดสาขาในอเมริกาในยุโรปนี่ถ้าไปดาวอังคารได้ท่านไปเปิดแล้วเพราะไม่สันโดษในการทําความดีและในการทําความดีมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเป็นแม่ทัพธรรมเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ท้อถอยในการทําความดีนั้น ปณิธานที่ตั้งไว้คือเป้าหมายเดินไปสู่เป้าหมายตามปณิธานนั้นเจอปัญหาเจอประสักด์ท่านไม่ย่อท้อไม่ถอยข้อสุดท้ายข้อที่หข้าพเจ้าถือว่าคนประพฤติชอบตามหลักธรรมเป็นผู้ร่วมงานของข้าพเจ้านอกจากนี้ไม่ใช่ใครที่อยู่ในแนวอุดมการเดียวกันอุทิศตนเพื่อพัตนตายัย ท่านถือว่าเป็นแนวร่วมเป็นพรักพวกเป็นพันธมิตรหมดเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าในยามที่ท่านช่วยคนอื่นด้วยการไปเทศไปสอนคือให้ธรรมทานท่านใช้ธรรมทานเป็นการผูกมิตรใครนิมนต์ท่านท่านไปเทศให้ฟังวัดไหนนิมนต์ก็ไปแล้วท่านก็ได้วัดนั้นเป็นพันธมิตรเพราะเป็นแนวเดียวกันมหาจุลานิมนต์ท่านท่านก็ไป และไม่ใช่แต่จะรับนิมนต์อย่างเดียวได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคุณปัญญาณทักมุนีเขามีนิติยพมีเงินประจำให้ตำแหน่งให้เงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มายกถวายมูลินทิมหาจุาลาหลวงก่อนหลายวิไลายทุกตลอดทุกปีทุกเดือนจนกระทั่งเป็นพระธรรมโกูส า, าร์จท่านจึงไปประกาศที่วัดมหาธาตุธรมาก็นั่งฟังอยู่แบ่ง นิทยพัฒ์คือเงินประจำตำแหน่งชั้นธรรมเนี่ยเป็นสองส่วนส่วนครึ่งหนึ่งถวายมหาจุลามูนิที่เหมือนเดิมอีกครึ่งหนึ่งถวายวัดที่พัทลุงไม่เปลี่ยนเดินไปตามเส้นทางนั้นและจับมือกับผู้ที่ร่วมอดมการสร้างธรรมทายาติขึ้นมาท่านเผยแผ่เองด้วย อัลังกาตุงคือเผยแผ่เองสอนเองตามบุดมการอัลังสังวิธาตงุงจัดการให้คนอื่นทําคือเผยแผ่ด้วยตามแนวของท่านท่านจึงสร้างธรรมทานญาติมีเจ้าอาวาสไม่ใช่เฉพาะที่วัดนี้นะท่านไปอยู่วัดปัญญานันทารามไปส่งไปเผยแผ่ที่วัดปัญญานันทารามท่านจ้าคุณสงะเนี่ยต่อมาชิกก็ไปดูไปช่วยตามบุดมการนั้น ในอเมริกามีวัดพุทธธรรมวัดอธรรมยตาวัดอื่นสอนในแนวเดียวกันหมดนี่คือแนวร่วมพันธมิตรธรรมธายาติที่ท่านสร้างในการดําเนินการที่ว่าท่านสอนเองด้วยอลังกาตุงจัดการให้คนอื่นสอนด้วยนี่แหละท่านจึงเป็นแม่ทัพธรรมแม่ทัพไม่ได้รบคนเดียวแต่วางแผนกําหนดให้คนอื่นรบ ตัวเองอาจจะเรียกว่าบางครั้งต้องถือธงนำหน้าเหมือนพระนเรศวรทำยุทธหัตถีเองแต่ไม่ได้ทำบ่อยใช้ทหารรบช่วยคนอื่นช่วยมันเป็น movement เป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นทำเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พระนุ่มเนน้อยเดินตางอาตมาก็เดินตามปฏิปทาของท่าน ในปี 2,518 มีการชมนุมยุวสงที่ลานอโศกหลวงพ่อปัญญาณาทะไปป่าจากาักถาแต่มานั่งฟังอยู่เป็นนิสิตมหาจุฬาประโยคคำพูดหนึ่งที่ก้องอยู่ในหูตลอดเวลาและเป็นแรงบันดาลใจให้ทำงานท่านพูดประโยคว่าคนสร้างงานงานก็สร้างคนเราสร้างงานทำงานด้วยการทุ่มเทอุทิศ และผลมันจะมาเองเราไม่ต้องไปประกาศไปโฆษณาอะไรหรอกงานมันจะสร้างคนบางครั้งเจอปัญหาเจอประสักท้อถอยไม่ต้องไปสนใจทำงานไปเถอะให้มันสําเร็จสิ่งนี้ก้องอยู่ในหูตั้งแต่เป็นสั ม, มนเนรธรรมาก็เห็นหลวงพ่อปัญญาท่า น, นถ้าไปเทศไปปาตกถาท่านไม่เรียกเทศนะปาตกถาอย่างเนี้ย ไม่ต้องสือคัมภีรตอนเป็นสมัมเณญต่างจังหวัดอายุสิบสี่สิบห้าหลวงพ่อปัญญานันทะไปพูดไปฟังท่านนั่งฟังพูดเป็นชั่วโมงแต่จำอยู่ได้เรื่องหนึ่งเรื่องความกล้าที่บอกว่าท่านกล้าพูดกล้าทาเนี่ยท่านเล่าถึงความกล้าของท่านว่าท่านก็ไม่ได้กล้าอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันต้องใช้ปัญญา คนกล้าต่างจากคนบ้าบินอันนี้พูดเพิ่มให้ฟังคนบ้าบินไม่รู้หรอกว่ามันมีปัญหาไม่รู้หรอกว่าเสือมันจะตะครุบเดินดุยดุยดุยดยรอดไปได้เราไม่เรียกว่าวีรบุรุษถ้าเป็นวีรบุรุษก็โดยบังเอิญไปอีกรอบหนึ่งเสือกินแน่เพราะมันไม่รู้ เราไม่เรียกว่าคนกล้ามันเป็นคนบ้าบินเพราะมันไม่รู้มันโง่เอาหัวชนกาแพงเดินดุยดุยบังเอ่ยกําแพงมันพังทะลุไปได้แต่คนกล้ารู้ว่ามีปัญหารู้ว่ามันยากแต่ฉันก็จะได้ทําด้วยปัญญาด้วยความรู้เพราะฉะนั้นคนกล้ากับคนบ้าบินเนี่ยเหมือนกันตรงที่มีความมุ อยากทําแต่คนบ้าบินขาดปัญญาคนกล้ามีปัญญาเหมือนปัญญาณทะนี่แหละเราเรียกคนกล้าสู้ด้วยปัญญาคือกล้ า, าหาญ ร, รู้ว่ามีปัญหาฉันก็จะทําแต่ทําด้วยปัญญาท่านเล่าว่าหลังสงครามโลกเนี่ยในช่วงสงครามโลกเนี่ย ท่านมาเรียนบาลีอยู่ที่วัดสัมพยานะได้ไประโยคนสี 4, ่เกิดสงครามโลกเลยไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่ตรงโน้นมันไกลระเบิดหน่อยพันธมิตรอะ่ะวันหนึ่งท่านก็เดินนี่ท่านเล่านะในปาตกถาตะมาตอนนั้นเป็นเนนน้อยเนี่ยจําไม่ลืมเลยเล่าตามท่านนะท่านบอกท่านกําลังเดินคุยกับท่านบอชอเขามาเพรษเป็นพระ เรียกว่าสหายธรรมกันเนี่ยเรื่องการที่จะทํางานร่วมบูดมการกันการที่จะสู้เพื่อพระาศาสนาเนี่ยปลูกใจกันนะไม่ทิ้งกันเนพราะดีขณะกําลังสนทนาธรรมเลยนะเครื่องบินพันธมิตรมานะทิ้งระเบิดตู้มตู้มตุ้มเลยลงมาที่ชายหาดที่กํลาลังเดินเนี่ยเพราะตู้มเดียวเท่านั้นเนี่ยบอชอเขมาพนัสหายวับไปตามไม่รู้วิ่งไปไหนเนี่ะ สหายทำไปก่อนแล้วท่านทำไงท่านก็ไปหลบหลบอยู่ไอ้ที่กองทรายอยู่แถวนั้นแล้วเบิดมันก็ลงตุมๆุๆตุกลัวสุดขีดเลยกลัวตายหัวใจเต้นไม่เป็นสัมกลัวระเบิดมันลงคาำหัวอกตัวเองหูใจมันเต้นตุ๊กๆุๆก เสร็จแล้วท่านได้สติสติมาปัญญาเกิดสติเตลเดินมาเกิดปัญหาไม่งั้นเนี่ยจะวิ่งไอคนที่กลัวเนี่ยนะระเบิดนดี่มันดีไม่ดีมันวิ่งไปวิ่งมากันไปเหยียบระเบิดหรือไประเบิดลนใส่แต่ท่านตั้งสติได้ในขณะที่กลัวสุดขีดคขำน้ออกตัวเองเต้นตุกๆุ๊กตุ๊ ก, ก, ก โ, โ, โใจทําไมมันเต้นขนาดนี้เนยะแสดงว่ากลัวสุดขีดกลัวขนาดนี้นี่แสดงว่ากลัวตาย เราตายหรื อ, อยังออหัวใจยังเต้นอยู่นะยังคลำหน้าอกได้นี่แสดงว่ายังไม่ตายถ้ายังรู้ว่ายังไม่ตายแสดงว่ายังไม่ตายจริงๆที่ยังกลัวอยู่นี่แสดงว่ายังไม่ตายนะถ้าตายคงไม่ได้กลัวแล้วเลยไม่กลัวเลยทีนี้เรายังอยู่กลัวกับบุญแล้วเนี่ยระเบิดมาก็ช่างมาันแหละทีนี้เรียกวิญญา สติมาปัญญาเกิดสติตเลดิดมักเกิดปัญหาตั้งสติให้ได้เป็นผู้กล้าด้วยปัญญารู้ว่ามีปัญหาก็จะต้องทำสุดท้ายหลวงพ่อไม่ใช่เป็นแม่ทับทาโดยส่งคนอื่นออกหน้าอย่างเดียวท่านทําเองเป็นแชมเปี้ยนในการเทศการสอนท่านสอนได้ครบสี่สอ นักเทศนักพูดที่ดีนักเผยแผ่ที่ดีต้องทำได้สี่ประการเหมือนเวลาพระพุทธเจ้าเทศตอนจบจะมีคนชมพระพุทธเจ้าด้วยสี่สอหนึ่งสันทัศนาเทศสอนได้แจ่มแจ้งสองสมาธปนาสอนได้จงใจสาม สมุดเตชนาสอนให้แกวกล้าสี4สำปหังสนาสอนได้ร่าเริงบันเทิงทำไม่น่าเบื่อ4ข้อนี้มีอยู่ในหลวงพ่อปัญญาดันทะทำให้ท่านยอดเยี่ยมในการเทศสอนเผยแผ่นึ่งจำแจ้งจำแจ้งอย่างไรเวลาพระพุทธเจ้าเทศคนจะชม อภิษฎจบเลยนะอภิกันตังโพโคตมะอภิษกันตังโพโคตมะแจีมแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญแจ่มแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญที่สอนมานี้เหมือนกับหงของที่ความจุดประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทาง ใช้ได้กับหลวงพ่อปัญญาทา่านแจมแจ้งตรงประเด็นเราหลงเข้าทางผิดท่านบอกว่าทางมันเป็นอย่างนี้เช่นไปงมงายเรื่องไสยศาสตร์ดูเลิกดูยามจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมาถามหลวงพ่อเวลาไหนดีเลิกอะไรดี ถึงจะขึ้นบ้านใหม่ได้หลวงพ่อปัญญาย้อนถามบ้านคุณมีบันไดหรือเปล่ามีครับหลวงพ่อขึ้นเลยมีบันไดก็ขึ้นสิตรงประเด็นหลวงพ่อเจิมรถให้หน่อยมันจะได้ปลอดภยัยหลวงพ่อบอกเจิมหัวคุณนั่นแหละขับดีๆอย่าประมาท แล้วมันจะปลอดภัยพระพุทธเจ้าสอนว่าอัดโถอัดถาดศนักขัดตังกิงกริสสันติตารกาประโยชน์เป็นเริ่งงามอยู่ในตัวดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้ท่านก็เอามาสอนแจ่มแจ้งจูงใจให้รับไปปฏิบัติ เกิดศรัทธาเราศรัทธาในหลวงพ่อปัญญาณัน t h เพราะท่านทำไม่ใช่เพราะคำพูดอย่างเดียวสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นมีผลมากท่านไอ้ที่ท่านสอนเนี่ยท่านทำด้วยบอกแล้วอะทำเองด้วย จัดการให้คนอื่นทำด้วยเรียบง่ายประหยัดเป็นระเบียบเป็นประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ท่านไปเที่ยวเทศสอนไปทั่วหมดแต่วัดของท่านตรงกันข้ามไม่มีพลังอาตมายอยู่วัดประยูนเนี่ยมีสาลาสวดศพเยอะบางและเราก็ได้ยินว่าที่วัดชนประธานเนี่ยสวดจบเดียว แล้วก็เทศวัดประยูนยเป็นวัดนักเทศเรามีพระนักเทศเยอะแยะหมดทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากพิธีกรรมคือเทศก็เอาอย่างวัดชนประธานสวดเจ้าภาพเขาจะสวดกี่จบสี่จบใช่เราไม่เราไม่กล้าเหมือนอย่างหลวงพ่อปัญญาตามใจแต่พอพักตรงไหนก็ตามบรรยายทมตลอด เราปฏิรูปไม่ได้ปฏิวัติกลมกลืนกันต้องมีบรรยายนทำหน้าเมนธรรมกถาน้าเชิงตะกรวัดวัดชนประธานเริ่มไว้เดี๋ยวนี้วัดประยุนไม่ไม่ว่างยึดหมดพระขึ้นหน้าเมนกันนิมนมดไมมนิม่หมดกับพูดกินอยู่นั่นแหละจนเจ้าวาดไม่มีโอกาส อิทธิพลผลกระทบจากวัดชนประธานวัดชนประทานมีธรรมทายาสนานมาแล้วฝึกพระนักเทศวัดประยูรเราก็เริ่มตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดตอนนั้นเป็นพระหนุ่มก็ไปจัดให้หลวงตาเพลเยอร์ไม้พี่พระครูเป็นพระครู พ, รรพิสารธรรมโกโสรเป็นประธานจัดเป็นผู้บริหารสมาเป็นผู้บริหารรรมจนปัจจุบันนี้ทุก พรรษาสามเดือนอบรมวิชาการเทศนาให้พระทั่วประเทศมาเรียนฝึกเทศจนบัดนี้ไม่เคยหยุดมีหยุดในช่วงหลว ง, งตามรณาภาปทมาก็มาสานต่อเดินตามรอยเดียวกันหลวงพ่อปัญญาณนทะัท่านไม่ใช้คำพีเหมือนเราท่านเนี่ยนะอย่างธรรมาเดียนะ สะดวกนั่งบรรยายข้อจำกัดของการถือคัมภีร์อยู่ตรงไหนท่านกระดูกกระดิกไม่ได้มือนี่ก็ยกไม่ได้นั่งนิ่งคนมันจะหลับเอาหลวงพ่อปัญญาธักลึงใช้ปาตกระถาหรือบรรยายอย่างเนี้ยเลคเชอร์เป็นองค์แรกที่ใช้ในวัตกรรมนี้ก็ว่าได้ร่วมกับหลวงพ่อพุทธทาสจนเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับหมดแล้ว ไม่ต้องถือคัมภีร์วัดอาตมาวัดประยูนเนี่ยทั้งสองแบบเราเรียกว่าปฏิรูปสอนพระให้เทศเนี่ยนะรูปแบบถือคัมภีร์อยู่แต่เนื้อในปรับคนที่เทศไม่แจ่มแจ้งไม่จูงใจนี่เพราะมันเทศน่าเบื่อจริงๆทั้งเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระ ไม่น่าสนใจไม่ทันสมัยเหมือนลวงพ่อปัญญาและไม่มีตัวอย่างไม่มีอุทาหรณ์ไม่มีอุปกรณ์การสอนธรรมะมันถึงฟังแล้วเป น, นำมาทำเราอบรมนักเทศขณะที่ท่านถือคัมภีร์อยู่เนี่ยนะต้องมีสื่อมีอุปกรณ์อย่าพูดแต่ธรรมะเป็นธรรมาทิฐานไม่มีตัวอย่างไม่เป็นบุคลาทิฐาน ก็สอนว่าเวลาท่านไปเทศที่ไหนเอาอย่างหลวงพ่อปัญญาสิไปดูก่อนเวลาเทศท่านก็เอาตรงนั้นตรงนี้เน่ตั้งเรื่องขึ้นมาให้คนเนี่ยเขาเรียกมีการนำเข้าสู่บทเรียนมีอุปกรณ์เราก็บอกว่าเออเวลาเทศงานศพเขาให้ถือคัมภีร์ก็จริงแต่อุปกรณ์สอนธรรมะมาอยู่ที่ไหนโน่นโรงโน่นก็พูดถึง โรงด้วยสิเมื่อเกียรตมาก็เริ่มแล้วล่างที่นอนในโรงอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือโดยที่ไม่รู้เราเราใช้สื่ อ, อยู่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเจอต้นไม้ขึ้นมาพูดใต้ต้นไม้เราไม่ต้องไปตั้งที่ไหนเอาต้นไม้เนี่ยเป็นสื่อหลวงพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรอบรู้สรารพัดเป็นยังไงอะเหมือนต้นไม้นี่ไงเราหยิบใบไม้มาศึกษาให้ดียาง ยอดเยี่ยมหนึ่งใบเนี่ยเท่ากับรู้ใบไม้ทั้งต้นรู้ใบไม้ทั้งต้นเท่ากับรู้ใบไม้เต็ม ใ, ในป่าทั้งป่ารู้ชีวิตของเราดีด้วยการสัตรู้มันจะรู้ชีวิตมนุษย์ทั้งหมดนี่คือสัพพันญูสังขารและโลกโลกคือสังขารไปเทศเขาจะมีเทียนสองธรรมจุดไหวเอาเทียนนี่ยมาเป็นอุปกรณ์การสอนธรรมะโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ที่ไหนเลยชีวิตต้องมีปณิธาน ชีวิตต้องมีเป้าหมายอยู่แบบคนผ่านหายใจเข้าหายใจออกมันก็เหมือนเทียนเนี่ยจุดไว้แล้วมันก็จะดับไปหมดชีวิตอยู่ไปมันวันหนึ่งมันต้องถึงความดับแต่จะดับทั้งทีดับอย่างมีคุณค่าส่องสว่างไว้ให้เป็นประโยชน์เป็นเทียนที่ให้ความสว่างคือปัญญาอย่าเป็นเป็นเทียนที่เผาบ้านเผาอะไรก็ไม่รู้ เกิดมาทั้งทีจะดับไปเนี่ยให้มันมีคุณค่าให้โยมดูเทียนเนี่ยเทียนมันก็กลายเป็นบุญการสอนธรร ม, มะขนาดถือกัมพีนี่แหละเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเพื่ออะไรทิ้งไว้แทนชีวิตหลวงพ่อปัญญาเหมือนเทียนยากมีชีวิตก็ส่องสว่างสุกสกาวนําทางดับไปแล้วเพื่ออะไรมีอะไรทดแทนเล่า มากมายมหาศาลดังที่เราได้มาประชุมกันมารำลึกนึกถึงคุณูประการที่หลวงพ่อได้สร้างไว้แก่โลกนี้ตามปณิธานที่สร้างไว้ที่ตั้งไว้ทั้งหกประการที่สำคัญปณิธานนี้จะไม่จบไปพร้อมชีวิตหลวงพ่อผู้เป็นกาเลณมิตรผู้เป็นสหายธรรมกองทัพธรรมธรรมธาญาติ ต้องสารต่ออุดมการนี้สิ่งที่ดีงามที่หลวงพ่อเริ่มไว้มันมีผลกระทบเป็นคลื่นให้กับคนรุ่นใหม่ได้จดจำได้ปฏิบัติตามเป็นกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนเราต้องช่วยกันประกาศเปิดเผยด้วยความแจ่มแจ้งจงใจในปณิธานชีวิตของหลวงพ่อและ การกระทำคําสอนของหลวงพ่อมันเป็นระบบเดียวกันสอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นนําไปสู่อะไรแจ่มแจ้งจุ่งใจแกล้วกล้าหลวงพ่อปัญญาทําได้เราก็ทําได้สมุติตนชนะและไม่เบื่อคําสอนของหลวงพ่อไม่เบื่อฟังเมื่อไรก็สนุกเป็นธรรมะบันเทิงให้ความบันเทิงใจปีติใจ เราจึงเปิดเทศเปิดเสียงท่านฟังได้ตลอดเวลาและนั่นก็คือท่านเทศได้สี่สอนแจ่มแจ้งจูงใจเขีวกล้าราเรืองมีอุปรกรณ์การสอนซึ่งพระอื่นๆก็ดำเนินตามรอยจัดปฏิปทาของท่านทำให้ปฏิรูปการเทศการสอนการบรรยายธรรมมาจนทุกวันนี้และนั่นก็ทาให้หลวงพ่อได้ชื่อว่าเป็น แม่ทับทำทาเองด้วยเป็นกําลังใจหรือสอนให้คนอื่นทาด้วยมีผลกระทบมหาศาลท่านหาไม่แล้วก็จริงแต่เราก็จะต้องนำเอาสิ่งที่ท่านเริ่มไว้ไม่ว่าปณิธานไม่ว่าเป็นปฏิปทาสารต่อและวัชนรัฐทานรังสฤษเป็นจุดเริ่มที่ท่านจุดเทียนสองธรรมคนอื่นก็นา มาต่อเทียนนี้กระจายไปทั่วทั้งโดยตรงโดยอ้อมทั้งผ่านซื้อและวันนี้ทางท่านเจ้าวาดก็มาพาพวกเราบูชาหลวงพ่อก่อนที่จะสลายสรีระร่างของท่านด้วยวิธีปฏิบัติตามปนิธานของหลวงพ่อโดยเฉพาะ ระเบียบเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ถูกต้องตามธรรมวินัยเราก็มาให้ความร่วมมือกับวัดในงานพระราชทานเพลิงศพนีด้ดอกไม้จันทร์ดอกไม้ใจอ่ะตามนโยบายของท่านเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งก็ชื่อว่าปณิธานของหลวงพ่อไม่ได้สูญหายไม่ได้ดับหายไปพร้อมกับร่างไม่พร้อมกับการเวลาวัดชนประธานยังรักษาไว้ศิทษานุสิ์เครือข่าย คณะสงฆ์พระหนุ่มเน้นน้อยก็ถือตามแนวปฏิปทาของท่านต่อไปนี่คือการบูชาที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเราบูชาด้วยสิ่งของเรียกว่าอมิสบูชาบูชาด้วยการน้อมนำเอาปฏิปทาเอาปณิทานของท่านมาเป็นแนวปฏิบัติตามเอาคำสอนของท่านมาเป็นแนวทางเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงสันเสริมปฏิบัติบูชา หลวงพ่อปัญญาอนันทก็สันเสริญปฏิบัติบูบชาวันนี้ก็ขอให้เราตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติตามคําสอนแนวปณิธานของท่านเป็นปฏิบัติบูชาบูชาครูบาอาจารย์ของเราอย่างถูกต้องดีงามท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมกถรคานนาเชิงตะก่อนเป็นธรรมัตสวรรณใหมบุญที่สําเร็จจากการฟังธรรม ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้สงบจิตสงบใจในขณะที่นั่งอยู่ณที่นี้รำลึกนึกถึงหลวงพ่อปัญญาของเราทั้งปณิฐานทั้งคำสอนเพื่อมาเป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรา และขณะเดียวกันก็ได้อธิษฐานใจอ้างเอาบุญกุศลที่เราทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้และก่อนนี้อุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศลนี้เป็นการบูชาคุณของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเพื่อหลวงพ่อได้อนุโมทนา เพิ่มบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารบของเราท่านทั้งหลายทุกประการขอทุกท่านได้อธิษฐานจิตเจริญจิตภาวนาบูชาคุณและถวายส่วนบุญส่วนกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคราจารย์ปัญญาณท่าพิฆุในช่วงท้ายนี้ ด้วยเวลาสัก2นาที